นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสะมุตตัสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสะมุตตัสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุตตัสะจิตตังดันตังสุข่าวห่งตีตีโอกาสต่อจากนี้ไป เป็นโอกาสแห่งการฟังธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเพื่อไม่ให้เป็นปฎิพหุความกังวลในท่าขันร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายก็ให้พากันนั่งกันได้ส บ, สบายเราอย่าไปเกรงแข้งเกรงขาปล่อยวางร่างกายของเราให้เป็นสบายๆเรานั่งอย่างไรสบายแล้วให้เรานั่งอย่างนั้นเพื่อเราจะไม่เป็นปฏิพหุความกังวลในกิริยาท่านนั่งของเรา เมื่อเราได้จับที่นั่งจับกระอากายของเราได้ที่ดีแล้วเราก็วางกายของเราให้อยู่ในความสงบเมื่อเราวางกายของเราให้อยู่ในความสงบได้แล้วเราก็ตั้งจิตแน่วแน่มั่นคงมีสติกำกับจิตไว้รักษาจิตให้อยู่ในปัจจุบันอย่าส่งจิตเล่ล่อนไปกับความนึกคิดบุงแต่งอดีตอนาคต ให้เรากำหนดด้วยความมีสติกำหนดกำกับจิตให้อยู่กับปัจจุบันมีเสียงธรรมนั่นเป็นประดุจ ด, ดังกำแพงกัน้นมีให้จิตของเราเล็ดลอดออกนอกออกไปนอกเสียงของอัดของทำเมืม่อเรารักษาจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบันได้แล้วเปรียบประดุจเหมือนจิตของเราเหมือนกับภาชนะว่างเปล่าเราจะบรรจุอะไรใส่ลงไปมันก็ใส่ได้เต็มที่ จิตของเรานั้นเป็นจิตที่อยู่ปัจจุบันว่างเปล่าจากความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเสียงธรรมที่แสดงไปนั้นถูกจริตนิสัยของเราส่วนใดก็จะล่วไหลเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราเราจะมีความจิตของเราจะมีความตื่นตัวขึ้นมากับอักขรธรรมนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมด้วยดีนั้นจิตนั้นย่อมได้รับความสงบอย่างแท้จริงก็ขอให้พวกเรา ตั้งใจอยู่รักษาใจอยู่ในความสงบในปัจจุบันนี้ชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเราทุกท่านทุกคนต่างท่านต่างคนต่างล้วนแต่ปรารถนาต้องการความสุขที่พวกเราพากระดิ่นร้นทะเยอะทะยานขว น, นขวายเสวงหามาตั้งแต่เรารู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั้น ก็ลวนแต่แตสวงหามาเพื่อความสุขในชีวิตของพวกเรานั่นเองโดยการคาดหมายว่าถ้าฉันมีอย่างนั้นมีสิ่ง น, นี้มีสิ่ง น, นั้นได้อย่างนู่นได้อย่างนี้แล้วฉันจะมีความสุข เพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะดีความเิ็ดเหนื่อยเมื่อหิวความยากความลำบากอย่างไรพวกเราก็ยอมสละยอมรับความเิ็ดเหนื่อยเมื่อหิวความยากความลำบากเพื่อแลกเปลี่ยนให้ได้สิ่งทั้งหลายที่เราปรารถนาเราต้องการมาเพราะฉะนั้นชีวิตตั้งแต่เรารูเรียนสามา จ, จนกระทั่งถึงบัดนี้ชีวิตของพวกเราจะมีแต่การวิ่งวุ่นดิ้นรนทุรนทุร ล, ลยอยู่ตลอดเวลา แม้การคาดหมายของเราไปนั้นสิ่งที่เราได้มาตามที่เราปารารถนาแล้วต้องการเราก็ได้มาได้มาได้มาแต่ว่าเราเคยได้ตรวจตาถามดูตัวเราเองหรือบ้างหรือไม่ว่าแล้วชีวิตของเราได้ความสุขมีความสุขกับความได้มาความเป็นไปของเรามากน้อยขนาดไหนโดยส่วนมากแล้วพวกเราไม่เคยย้อนเข้ามาดูตัวของเราเองเราก็มีแต่การคาดหมายออกไปข้างนอก ตามความดิ้นรนที่เยอะที่ยานของจิตนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจึงไม่เคยหยุดมีแต่ความดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาชีวิตของพวกเราจึงได้รับแต่สิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ต้องการสิ่งที่เราได้ขึ้นมาก็คือภาระนับวันภาระเรามากขึ้นนับวันความพุงหลังในชีวิตของเรามากขึ้น นับวันความยุ่งเหยิงในชีวิตของเรามากขึ้นนับวันปัญหาชีวิตของเรามากขึ้นส่วนท่าฉันร่างกายของเรานับวันแก่เท่าลงไปแก่เท่าลงไปไอ้ความแก่เท่าความเสื่อมโทรงของเรือนกายนี้ก็พร้อมกันําเอาโรคภัยไข้เจ็บนําเอาความยุ่งยากเข้ามาสู่ชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งความแตกหนับก็ามาเยือนชีวิตของพวกเรานี่แหละถ้าเราพากันได้พิจารณาย้อนขึ้นมาดูตัวของเราเอง เราจะเห็นชัดเจนว่าชีวิตที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงบัดนี้นั้นล้วนแต่เป็นไปดังที่ธรรมะท่านกล่าวไว้ถ้าเราย้อนกลับมาเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ตื่นตัวขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาที่จะมาฟังอัดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมประกาศสอนโลกไว้แล้วสองพันกว่าปี ชียร์ให้ให้ศาสนิกของพระ อ, องค์ท่านหเห็นความสาคัญของจิตของใจแต่ศาสนิกของพระ อ, องค์ท่านโดยส่วนมากแล้วมักจะมองข้ามจิตมองข้ามใจไปเสียสิน้นทั้งนั้นที่นับตั้งแต่วันเกิดที่มาพวกเราเกิดมาเราก็มีจิตใจมาพร้อม แต่จิตใจนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นพวกเราเลยขาดความสนใจหรือขาดก า, ารให้ความสําคัญในด้านจิตใจเราก็ไปให้ความสําคัญในด้านปากท้องร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อจิตใจของบัวเราไม่ได้รับสิ่งหล่อไม่ได้รับอาหารหล่อเลี้ยงมันก็มีความหิวกระหายมันก็ดิ้นหลน่นทุรนทุรายไอ้ความดิ้นรนทุรนทุรายเปนความบิบคั้นของจิตนี่แหละ จะเป็นตัวสร้างทุกข์ขึ้นมาให้แก่เราอย่างแท้จริง เพราะนั่นชีวิตของพวกเราแม้เราปรารถนาความสุขอย่างไรกินสิ่งที่เราได้มาเป็นไปอย่างนั้นเราก็ไม่เคยได้รับความสุขตามที่เราปรารถนาที่เราต้องการก็เพราะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจแต่พวกเราก็พากันมองข้ามจิตใจเสียทิ้นแล้วเราลองมาพิจารณาดูว่าถ้าชีวิตของพวกเรานั้นเราขาดความใสใส่ใจสนใจให้ความสมําคัญจิตใจดังเช่นที่ที่เป็นมา ตลอดชีวิตของเราจนแบบนี้นั้นแม้ภายนอกเราจะมีอย่างสมบูรณ์มากไม้ไก่กองเราจะมียอดฐามดาศักดิ์เต็มบาไหลก็ตามแต่ถ้าจิตใจของเรามีแต่ความศ่อมหมองจิตใจของเรามีแต่ความว้าวุ่นจิตจใงเรามีแต่ความกุ้มอกกุ้ ม, มใจครับแฉ่งใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดเครียดวิตกต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดแล้วชีวิตของเราจะมีคุณค่ามาจากไหนเล่าถ้าเรามาเปรียบเทียบชีวิตของพวกเราเปรียบประดุจเหมือนบ้านเรือน บ้านเรือนนั้นจะเป็นบ้านเรือนใหญ่โตขึ้นหาดโก้หรูหราอย่างไรก็ตามแต่ในบ้านเรือนมีแต่ความสกปรกโสโครกลุกลุงมหลังไปด้วยสิ่งของที่น่าอิจฉาเอียนหน้าขยะขยะแขยงเต็มไปดูทุกซอกทุกมุมเต็มไปอยู่ในบ้าน แล้วมาพิจารณาดูว่าบ้านหลังนั้นจะมีคุณค่าควรต่อการอยู่กันอาศัยไหมละ่ะเราจะไปนั่งตรงไหนนอนตรงไหนก็มีแต่ความขยะกขยงมีแต่ความซีอิสะเซียนโหดที่สุนบ้านหลังนั้นแม้จะเป็นบ้านใหญ่โตก็หาคุณค่าไม่ควรค่าต่อการอยู่กันหลับกันนอนเลยอาจจะทิ้งจนเสื่อั้งเป็นบ้านล้างไปเลยก็ได้แต่ถ้าบ้านแม้จะเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาไม่ต้องใหญ่โตโหม้หลายมากไม่ใหญ่กองก็ตามเถอะ แต่มีแต่ความ ส, สะอาดสะอาดมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านนั้นจะเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริงจะนั่งจะนอนตรงไหนก็มีแต่ความสบายกายสบายใจเพราะฉนั้นบ้านที่น่าอยู่เนื้อ น, น้า <โ frustrating. S 1> อาศัยอยู่นั้นเพราะบ้านนั้นมีความสะอาดสะอานมีระเบียบเรียบร้อยมันจึงเป็นบ้านที่คุ้ค่าต่อกันอยู่กัน อ, อาศัย แล้วมาพิจารณาดูว่าบ้านด้วยตัวบ้านเองอย่างท่ด้วยโดยตัวของบ้านเองนั้นถ้าจะปล่อยให้มันสะอาดเองโดยตัวเขามันมนันไปไม่ได้ไหมล่ะ มันก็ยอมเป็นไปไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมของบ้านนั้นมันมีขี้ฝุ่นมียักษ์ย่มีอะไรตอไรมากไม้ไก่กองที่มันจะไหลเข้ามาลุ่วไหลเข้ามาทางประตูทั้งหน้าต่างทําให้บ้านนั้นสกรปกโโรกโสขอกรกวุงลงังไปด้วยสิ่งที่หน้าสีอิสียน่าขยัข ย, ยังมากไม้ไก่กองเพราะนั้นบ้านที่จะมีความสะอาดสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยทุกมือได้ก็เพราะเจ้าของบ้านนั่นแหละพากัปรปัดวาดเช็ดถูจากสิ่งจะขอให้เข้าที่เข้าทาง มันจึงจะมีความสะอาดสะอ้านขึ้นมาได้แล้วแม้การปราศรดชิดถูจากติงใจของเราให้เข้าที่เข้าทางมีความเหน็ดเหนื<ๆ>่อยยากลาบากอย่างไรก็ตามแต่เมื่อมันมีความสะอาดสะอา้านมีระเบียบเรียบร้อยหน้าอยู่น่าัายแล้วเราก็มาพักผ่อนได้ได้อย่างสุขอย่างสบายหายเนี่ยหายเหนื่อยไปหมดสิน้นย้อนเข้ามาถึงชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคน ชีวิตของพวเราแม้เราจะเกิดขึ้นมาในครอบครัวของมหาเศรษฐีเกิดขึ้นมาในวันณะสูงเด่นอย่างไรจะมีท้ามดาศักดิ์เด็มบาอะไรก็ตามแต่ใจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่รรความขุ่นมัวมีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจขับแข้งใจฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตของเราจะมีคุณค่ามาจากไหนเราหาคุณค่าไม่ได้เลยชีวิตของเราจะมีคุณค่าขึ้นมาเพราะเราต้องมีความสุขแล้วความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่จิตใจ นมันอยู่ที่นี่แต่พวกเรามองข้าไมไปเสียสิ้นถ้าจิตไม่มีความสุขแล้วเราจะหาความสุขมันโลกที่ที่ไหนก็หาไม่เจอเมื่อนั้นจิตชีวิตจะมีคุณค่าก็เพราะจิตใจดวงนี้มีความสุขมีความเบิกบานมีความาผ่องใสมันจึงจะมีคุณค่า แล้วโดยตัวของจิตเองเดี๋ยวเราปล่อยวางมาวางมันอยู่เฉยๆแล้วให้มันให้มันมีความสุขมีความโบกบานเองโดยตัวของมันมันเป็นไปได้ไหมล่ะมันเต็นไปไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยแม่มันมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความได้มีความเสียมีความหน้ายินดีน้ายินไลเป็นสภาพแวดล้อมมากมายหล่ยกองที่มันจะไหลเข้ามาต่างๆหูจมูกลิ้นกาย เข้ามาสู่จิตสู่ใจสร้างความโลภลุม ล, ลังสุโสภโขด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งฝั่งหน้ายินดีหรือหน้ายินร้ายทั้งฝั่งกุศลหรืออกุศลครอบงำในจิตใจของเราให้เศร้าหมองมืดบอดไปด้วยโโความโสภโขในอารมณ์เรื่องราวต่าง ๆ, งๆทั้งหลายเพราะในจิตใจของเราจะมีความสะอาดสะอาดมีความเบิก บ, บานมีความผ่องใสมีความสุขอย่างแท้จริงก็เกิดขึ้นมาจากตัวของพวกเราเองนั่นแหละพากันปัดฝาดชำระเช็ดถูจิตใจของเรา ไอ้การปัดฝ่าชั้นจะทำละชิดถูจิตใจของเราก็ด้วยจิตภาวนาการภาวนานี่แหละคือการปัดฝัดชิดถูจิตใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในหลักธรรมในการปฏิบัติในพุทธศาสนานี้จึงมีความสําคัญที่สุดในพุทธศาสนาเราก็คือการภาวนา แต่เราก็ไม่ไม่จะ ไ, ไปพิเศษไอ้การกระทำคุณงามความดีทั้งหลายภายนอกอันมีฐานบัางมีสีบ้างซึ่งเป็นความคุ้นเคยในหมู่พวกเราทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่แล้วแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นการปูพื้นฐานให้แก่การภาวนาว่าถ้าหากพวกเรามีแต่การปูพื้นฐานแล้วเราไม่ภาวนา ความเป็นไปในแง่มุมของอดีตของธรรมของเราจะเกิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ไหมมันย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะนั้นเมื่อเราปูพื้นฐานให้กับชีวิตของพวกเราดีแล้วเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะเข้าสู่การภาวนา โดยเฉพาะการภาวนาของพวกเราเราก็ต้องอาศัยเรือนกายของพวกเรานี่แหละมาเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีเรือนกายแล้วเนี่ยแม้เราอยากจะภาวนาอยากจะเดินจกงกรมกันแตไหนมันก็ไม่สามารถไปภาวนาเดินจงกรมได้แต่เรือนกายของเรามันเป็นของเตาะบางอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ยังสรงกล่าวไว้ว่าอาเจย์วัคคิจมาตาปังโธทัญญามรณะสเวนะฮิโนสรัฆลานเตนัมห้าเซนี้นัมจินา พระ อ, องค์ทรงกล่าวไว้ว่าชีวิตเท้ายขันร่างกายของพวกเราเป็นของเปราะบางความตายนั้นไม่มีเครื่องหมายบอกเสด็จเลยว่าจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เมื่อพยามัจจุราชคือความตายมาถึงเราในเวลาใดอิริยาบถใดก็ตามเดอะไม่มีใครจะสามารถไปต่อต้อตานอ้อนวอนขอร้องต่อพยามัจจุราชได้เราจะไปอ้างว่าฉันยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวคอยให้ฉันแก่เท่าซะ ก, ก่อนแล้วค่อยตาย หรือฉันยังงานการยังไม่เสร็จให้ฉันทํางานทําการเสร็จซะก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้โตไปห ม, มู่บ้านสาวซะก่อนแล้วค่อยตายหรือฉันมีเงินเป็นติดติดล้านไปจ้างพญามัจจุราชสองสามล้านแล้วไม่ต้องตายท่านบอกว่ามาห้าเศ้นในน้าพัฒ น, นาไม่มีใครจะไปต่อต้านพญามัจจุราชผู้ผู้มีเสนาห์อันยิ่งใหญ่ได้เลยแม้มันมาถึงเราในขณะที่เราอยู่อยู่ในนยามหมดยืน เราไปผัดเพี้ยนมาขอให้ฉันไปนอนตั้งก่อนแล้วค่อยตายยังไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรจะไปผัดเพี้ยนวันประกันพุ่งได้เล้วแต่มีสถาณะนี้แหละเวลานี้ขณะนี้แหละที่พยายามปฏิวัติแม้นจะไล่าตามเรามาติดติดแต่ยังมาไม่ถึงเราก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราควรจะเอาเวลานี้แหละมาโพวนาะ อบรมจิตอบรมใจของเราเสียแต่แบบ น, นี้เพราะนั้นการภาวนานั้นอย่าไปขัดถัดวันผักการพุ่งอย่าไปคาดหมายว่าเช่าสายใบข่ำดึกดื่นเที่ยงคืนขอให้รักษาอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันสม่ำเสมอแต่เวลาใดก็ให้ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันนี้แหละเหมาะต่อการภาวนาที่สุดเพราะต่อการอบรมจิตอบรมใจของเราดีที่สุด เพราะนั่นการอบรมจิตอบรมใจเมื่อชีวิตของพวกเราเราปูพื้นฐานให้แก่ชีวิตหมือปูพื้นฐานแก่จิตใจของเราด้วยทานของการสละมัน่าสละเจือจารย์เผื่อแผ่ซึ่งมีอยู่เป็นประจำวิสัยของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้วเช่นว่าการใส่บายการถวายทานต่างๆด้วยการแบ่งปันเจือาจารย์เผื่อแผ่สงเคราะห์การอยู่ตลอดในหมู่ชาวพุทธของพวกเรา อันนี้ก็มีอยู่เป็นประจำนิสัยของพวกเราเชาวพุทธแล้วเราเป็นการปูพื้นฐานในความอยู่ร่วมกันของพูดเราจากนั้นด้วยความเป็นบุทิชนคนมีกิเลสยพวกเราเราก็ใหพากันมีความาอดกลั้นต่อกิเลสให้มีเจตนาที่จะควบคุมกิเลสเป็นอยู่ได้ขอบในเขตถ้าเราสามารถควบคุมกิเลสเป็นอยู่ได้ขอบในเขตแล้วไม่ปล่อยให้มันล้มขอบล้มเขตออกมาแล้วเสี่ยงของเราบริสุทธิ์หมด ไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เพียงแค่เรามีเจตมาตั้งใจวควบคุมกิเลสของเราอยู่ในขอบได้เฉดอยาบบ่อ ย, อยแล้วก็มีความอดกั้นต่อกิเลสอย่าให้มันล้นขอบล้เนเฉดออกมานํากายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันเท่านั้นเพียงแค่นี้ศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเราเป็นบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์เมื่อเราเป็นบุคคลผู้มีทานมีศีลเราก็ไม่มีปฏิพลดความกังวลในความอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของพวกเราคงมีความอบอุ่นล่มเย็นไม่มีความล้แบงในการเบียดเบียนกันในการปีนเกี่ยวกันมีแต่น้ําจิตน้ําใจเ อ, อื้อฟื้อสงเคราะห์เจรจาเผื่อแผ่มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันความอยู่ร่วมกันของพวกเราจะมากน้อยขนาดไหนไห น, นับตั้งแต่ครอบครัวจนกระทั่งถึงวงงานวงสังคมก็ล้วนแต่มีความอบอุ่นมีความล่มเย็นเมื่อมีความล่มเย็นในความเป็นอยู่ของเราแล้วไม่มีอะไรต้องมัากังวลในความอยู่ร่วมกันเราก็หาโอกาส ในการอบรมจิตอบรมใจของเราแม้เราจะมีภาระหน้าที่การงานมากม า, กายใจกองตามสภาพหน้าที่ของเราอะเรายังเป็นผู้ครองเรือนยังมีครอบครัวยังมีลูกมีหลานมีภาระมีงานการจะต้องดูแลต้องมีอาชี p นั้นอาชีพนี้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นการกระทาที่จะมาบุบลุงบารุงหล่อเลี้ยงร่างกายปากท้องของเรา ก็เพื่อเมื่อเราจะบำรุงดูแลร่างกายของเราอย่างปาณิชย์ ด, ดีดดดดดดดอย่างรนมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมโทมมันไม่มีร่างกายไหนที่จะอยู่ไปเอจะบำรุงแล้วไม่มีความเจริญเจริญจนกระทั่งถึงถึงความมั่นคงถาวรเลยมันมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปถึงที่สุดคือความเสื่อมสิ้นไปเพียงแค่าอาจจะเสื่อมช้าสัหน่อยนี่เราเป็นธรรมดาปกติของร่างกาย แต่พวกเราไปยังมาเด็ดเหมือยเมื่อหิวยากลําบากในการขวนขวายแสวงหามาเพื่อบํารุงบำเรอเขาแล้วทําไมจิตใจดวงนี้มันเป็นของไม่แตกไม่ดับเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขแก่เราอย่างแท้จริงทาไมเพียงแค่เราจะมาทําฟาร์มเพียงเราก็มาบดแต่ว่าไม่มีเวลาหรือกลัวยากกลัวลําบากกลัวอดหลับอดนอนกลัวอดไปเที่ยวไปเล่นเพียงแค่นี้เรื ที่ปมาเป็นข้ออ้างในการมาอบรมจิตอบรมใจของพวกเราสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พวกเราควรจะตวนตัวของเราเองได้แล้วเพราะการผ่านการเวลาของพวกเรามาในขณะนี้เราผ่านมา ก, กี่วันกี่เดือนกี่ฝนกี่หนาวแล้วพ้าทิษมันมีขึ้นมันก็เวียนมันก็นขึ้นมาเรื่อยวนไปเรื่อยเ ร, เ ร, เรถึงที่สุดมันก็ตกไปสู่ความค่ามืด แล้วชีวิตของบัวเราขนาดนี้มันตะวันขึ้นมาตั้งแต่วันเกิดมันเดินคอยมาคอยมาขนาดนี้มันมาถึงเที่ยงมาถึงบ่ายแล้วมันไม่มีโอกาสเช้าไม่มีโอกาสสายแล้วมันมีแต่จะค่าไปเท่านั้นแหละเอาสิแต่ถึงมันมันจะไปหาค่นแต่มันยังไม่ค่ามันยังมองเห็นอยู่ยังไม่ทันมืดเป็นโอกาสที่เราจะทำหน้าที่ภาระหน้าที่อะไรเราก็รีบๆทำซะก่อนที่มันจะค่าชีวิตของบวเราเหมือนกัน รีบเล่นขวนขวายอบรมขึ้นมาให้เป็นอัดเป็นทาก่อนที่มันจะถึงการแตกดับถ้าเราอบรมขึ้นมาได้ดีแล้วแม้ Man, ถึงการแตกดับมันก็เป็นธรรมดาของมันไม่ไม่ห ว, วั่นไหวเราไปกับความแตกดับนั้นเลยแล้วเราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราได้อย่างไรล่ะแม้การปัดปั ด, ปดชิดถบูบ้านเรือนของเรามันก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายก่กอง การอบรมจิตอบรมใจของเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นกันฟาน์มดีทุกสิ่งทุกประการนั่แหละจะเป็นเครื่องมือรองลงมาก็คือทานคือศีลจากนั้นเราก็มาภาวนาภาวนาจะเป็นการอบรมจิตจิตใจคือปัดฝ่าชิดถูจิตใจของเราให้สะอาดสะอานมีมีไฟมีมีเป็นความน่าอยู่น่าอาศัยอย่างแท้จริง เราจะมาปัดฝาดอย่างไรเละโดยปกติธรรมชาติของจิตใจมันมีแต่ลุกดิดแสสายยุ่งเหยื่อวุ่นวายไปกับความนึกคิดปุงแต่งอดีตอนาคตอยู่ตลอดงนั้นความคิดนั้นจะเป็นกุศลก็ตามเป็นอกุศลก็ตามจิตถ้ามีหลักยึดแล้วมันก็เล่ล่อนไปเกาะเกี่ยวไปกับความคิดความนึกคิดปุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นโหดที่สุดก็ย้อนเอาฟ้านเอาแต่อารมณ์เรื่องราวเข้ามาคอบงำจิต ให้กุ้ม อ, อกกุ้มใจครับแทงใจฟุง้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดนั่นแหละเป็นปกติของจิตทั่วไปที่ไม่ได้ที่ไม่เคยได้รับการอบรมมากจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นไม่เลือกจนชั้บนบรรณะไม่เลือกหรือยกถา ม, มียศถาบรราศักด์หรือไม่มีแต่จะเป็นอย่างนั้นัวนที่สุดจิตดวงนี้แหละก็เป็นผู้ไปฟ้านเอาทุกข์เข้ามาครอบงมตัวของตัวเอง ทุกที่พวกเราพากันจมอยู่ในกองทุกนั่นะมันไม่มีตาสีตาสาไม่มีท่านผู้ใดหรือไม่มีสิ่งใดมาเสษมาเตาบดนบบนไดาหรือหยิบยื่ยนให้แก่เราเลยเต็มเพราะจิตใจดวงนี้แหละที่ไม่ได้รับรับการอบรมไปคว้านเอาเข้ามาแผ่เผาตัวงตัวเองเสียทิ้นเอาที่การที่เราจะมา เราบาดถนาทุกเราไม่ต้องการความเบื่อเราบารถนาสุเราไม่ต้องการคว า, า, ท า, ามาทุกอย่างนั้นความสุจะเกิดขึ้นมาก็เพราะการอบรมจิตอบรมใจของเรานั่นเองถ้าเราบ่อยมันโดยตัวมันเองแล้วมันเป็นสุมันเป็นไปไม่ได้เพราะความทุกของสัตว์โลกเนี่ยแต่เป็นอาหารหล่อเลด้งจิเล็แก็มีกําลังวังชามากขึ้นยิ่งสัตว์โลกทุกมากเท่าไหร่กิเล็กก็ยังมีกําลังวาาสนามที่จะขบกัดเราให้มากขึ้นไป พราะนั่นการที่จะตัดทอนกิเลสออกไปเราก็จะไปให้อาหารมันอย่าให้ความทุกข์ไปหล่อเลี้ยงมันเราก็ต้องตัดวงจยของมันออกโดยการยกบทธรรมขึ้นมาจิตเป็นยึดไว้เพื่อไม่ให้จิตเล่ยล่อนออกไปกับความที่คิดปุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความมีสติ ข, ของเราเองเราจะยกบทธรรมใดเล่าเราจะยกเอาคําบริกรรมออกพระโถพโทรพโท ร, พโทระโถก็ตาม เราจะยกเอาอนาปานะสติขึ้นมาก็ตาม ท, ที่เป็นหลักยึดของจิตหลักสาคัญมันขึ้นอยู่กับสติความมีสติเป็นตัวสำคัญที่สดุดในขณะที่เรากาหนดพุทโธพุทโธาเป็นอาลุงของจิตนั้นถ้าเรามีสติ ก, กากับจิตให้อยู่กับพุทโธเราจะมีความรู้สึกสัมผัสของพุทโธพุทโธอย่างชัดเจนในความรู้สึกของเรา แต่ถ้าเราไม่มีสติกำกับจิตให้อยู่กับพุโทโธแม้เราจะบ่นว่าพุโทโธพุธโทโธกระตานแต่จิตนี้ก็ม่มีความรู้สึกสัมผัสในพุโทโธเลยพุโทโธจะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตก็มีแต่ป่าเปล่ๆไปเท่านั้นเองแต่จิตไม่รับทราบด้วยนี่แสดงว่าไม่มีสติกำกับจิตให้อยู่กับพุโทโธจิตก็เล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตอยู่ตลอดไป หรือถ้าเรากำหนดอนาปาณว่าสติขึ้นมากำหนดลมให้ใจเข้าหายใจออกามาเป็นอารมณ์ของจิตถ้ามีสติกำกับจิตให้อยู่กับลมให้ใจเข้าหายใจออกเราจะสัมผัสความรู้สึกในลมเข้าลมออกอย่างชัดเจนในความรู้สึกของเราเองแต่ถ้าเราไม่มีสติกำกับจิตให้อยู่กับลมให้ใจเข้าหายใจออกนะ่ยแม้เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็มีความรู้สึกทุกลมเข้าลมออกนั่นเลย นี่แหละลักษณะของการของการของคามมีสติกับไม่มีสติมันแตกต่างกันอย่างนี้ถ้ามีสติกำกับจิตไว้อยู่กับสิ่งใดเราจะรู้ชัดเจนถึงสิ่งนั้นถ้าเราไม่มีสติกำกับจิตไว้อยู่กับสิ่งใดแม้มีสิ่งนั้นก็ไม่มีอยู่แต่ความรู้สึกของจิตเพราะนั้นการโาวนาให้เราตรวจสอบตรงนี้ตรวจสอบตรงว่าเรามีสติกำกับจิตไว้อยู่หรือเปล่า ถ้าเรามีสติกำกับจิตไว้แล้วแม้เรานั่งภาวนาสองนาทีสามนาทีก็มีคุณค่าเราเบือนจงกรมแม้หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีก็มีคุณค่าสำหรับเราแต่ถ้าเราไปนั่งทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีสติกำกับมันก็สักแต่ว่าง น, นั่งลิงข้ามันก็นั่งได้จนก้นไดน้ไม่เห็นมือวิเศษที่ไหนมันก็นั่งไย่งแค่ลิงนั่งขนานี้นเองเพราะในฟาร์มสำคัญมันอยู่ที่ฟา์มมีสติ ไอ้ฟามีสติจะแนบแน่นในการกํากับจิตให้อยู่กับบทธรรนั้นก็เพราะการฝึกฝนอบรมของเราฝึกให้มากฝึกให้บ่อยฝึกให้ยิ่งเพราะงานทําสิ่งใดก็ตามถ้าเราทําบ่อยทํามากทํายิ่งแล้วเราก็จะค่อยๆชํชนานิชํานาญในการทํางานนั้นการทําทงานนั้นก็มีความคล่องแคล่วสะดวกง่ายขึ้นในการทําของพวกเราการภาวนาก็เช่นกัน ถ้าเราทําบ่อยทําทําทำเรื่อยทำไปทําเรื่อยไปทาําบ่อยเข้าอดบ่อยเข้าก็ค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยจากยากก็เป็นง่ายจากการจากการแบบแบบแบบมาขัดว่าขัดตอนมันก็จะมีความต่อเนื่องเลยเป็นความคล่องแคล่วในการภาวนาพอมีความคล่องแคล่วมีความคุ้นเคยในการภาวนาแล้ว จิตก็จะอยู่กับบทธรรมนั้นได้อย่างแนบแน่นจิตที่เคยเล่ห์ล่อนเกาะเกี่ยวไปกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายอดีตอนาคตมันก็มีแต่ขดตัวเข้ามาขดตัวก็ามาไอสิ่งที่เคยครอบงำจิตใจของพวคเราคืออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายความน่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็าตามสิ่งที่บนกุศลหรืออกุศลก็ตามมันก็มีแต่จางออกไปจากจิตจางออกไปจากจิต สี่เหล่านั้นจางออกไปจากการครอบงาจิตจิตก็เริ่มมีความเบิกบานมีความผ่องใสเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่าง ๆ, ๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตใจอยู่แต่เก่าก่อนนี่แหละเราจะเริ่มเห็นผลจากการภาวนาพอเรามาภาวนาเราจะมีความ ร, รู้สึกสัมผัสถึงความสบาย อ, อกสบายใจซึ่งชีวิตของพวเราไม่เคยได้สัมผัสเลยทั้งๆที่เราปรารถนาความสุขความสบายอย่างนี้ เราก็นิ่ิลนไ้เยอะพยายามขุดขวายสวยงหาภายนอกมาไม่ไก่กองนับตั้งแต่เรารู้ยังสามาแล้วเราได้มาได้มาแต่ไม่เคยมีความสบายอกสบายใจประดุษต่างที่ได้เกิดขึ้นมาจากการภาวนาเลยสิ่งที่เราได้มาก็เลยกลายมาเป็นภาระกลายมาเป็นความผู้หลุมพลังในชีวิตของพวกเราให้พวกเราต้องกังวลให้พวกเราต้องห่วงต้องหวงอ <c oughs> ดูตลอดมาแต่พอเรามาภาวนา จิตของเราเริ่มสัมผัสกับฟาร์มละเอียดเข้ามาเราจะสัมผัสถึงนฟารมสบายอกสบายใจเห็นคุณค่าของการภาวนา <c oughs> เมื่อเราเห็นคุณค่าของการภาวนาแล้วการภาวนางเราก็ยิ่งมีฟา์มหนักเน่นมั่นคงเราจะไม่ขี้เกียจแต่ความเคยขี้เกียจมาแต่เก่าก่อนกระจางออกไปตอนนี้เหลือแต่ควาร์มขยันเพราะเห็นคุณค่าของการภาวนา ยิ่งมีความขยันในการภาวนายิ่งมีความเพียรในการภาวนาจิต ก, ก็ยิ่งมีความละเอียดมีความเจริญก้าวหน้าในการภาวนามากขึ้นมาจนกระทั่งละเอียดเป็นที่สุดสักวันหนึ่งจิตนั้นจะรวมตัวเข้าสู่ฟามสงบพอจิตรวมตัวเข้าสู่ฟาสนสงบนี่แล้วเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะชีวิตตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยสัมผัสกับฟานสงบภายในจิตในใจเลย เพะะนั้นพะูะพุทเจ้าแม้พระเจ้าจดกาวไว้มาตั้งสองพันกว่าปีไปแล้วว่านักสันติบาลังสุขขันธ์ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีแต่เราไม่เคยสัมผัสกับความสุบเรามีแต่ความเสเคยสัมผัสกับความสุขทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสที่รวมเรียกกันว่ากายโมขุณทั้งห้าเราไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบกับกายโมคุณทั้งหลายเหล่านี้ เราก็เลยยกย่องโอ้ยฉันมีอย่างนั้นฉันได้อย่างนั้นฉันเป็นอย่างนั้นฉันจะมีความสุขเราก็เลยมีแต่ความบัวเมาร่มหลงแสเวงหาในการมุคุณทั้งหลายมาตลอดแต่พอบัดนี้ที่ของเรารวงตัวเข้าสู่ความสงบเท่านั้นแหละเรามีสิ่งที่มาเปรียบเทียบกับการบุคุณทั้งหลายที่ชีวิตของพวกเราผ่านมาสัมผัสสัมพัม์มามากมายไก่กอง น, นั้นว่าสิ่งไดมีคุณค่ากว่ากัน พอมาเปรียบเทียบกันเห็นมันไม่มีสิ่งใดเลยแม้สิ่งเนกรมวุ่นุ่นทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นที่ปรารถนายินดีของปุถิชนทั่วไปก็าตามแต่ที่เป็นที่ยินดีปรารถนาเขาปุถิชนทั่วไปก็เพราะปุถิชนทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่เคยสัมผัสกับฟาร์สมสงบเขาจึงไม่เห็นคุณค่าของฟาร์สมสงบแต่พวกเราแบบนี้ติดของเราอย่างเข้าสู่ฟาร์สมสงบแล้วเราเห็นคุณค่าของฟาร์สมสงบ ทำวันนัดทิสันติพลังสุขขังความสุขเอื้อเสมอด้วยความสงบไม่มีสว่างจ้าขึ้นมื่อาภายในจิตในใจของเราลงใจในการในความสงบอย่างไม่มีข้อไป็นพิเศษเลยแล้วนี่เพียงแค่ความสงบจากสมาธิมันยังมีความความสุขความวิเศษประเสริฐขนาดนี้แล้วท้งความสงบนั้นนับดับจากอิเลชทั้งหลาย มันจะมีความสุขเหนือยิ่งขึ้นไปอีกขนาดไหนที่พระพิจารณาส่งกล่าวไว้ว่าปรมาณสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งแม้นจิตของเรายังไม่สําผัสจุดหมายปลายทางนั้นแต่เราก็มีความเชื่อมั่นในคําของพระเจ้าจากนั้นความภาคความเพียงว่าเราก็หนุนเข้ามาหนุนเข้ามาหนุนเข้ามาเยที่มีความางงสงบรวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิต ถอนออกมาจากความรวมตัวก็ามาสัมผัสรับทราบในท่าขันร่างกายในความนึกคิดปรุงแต่งในความรู้สุขรู้ทุกข์ต่างๆทั้งหลายแล้วแต่จิตนั้นจะมีแต่ความหนักแน่นตั้งมั่นนมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิเพราะจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบจนอิ่มพอของจิตถอนออกมาจากความรวมตัวแล้วจิตนั้นจะเป็นจิตที่มีสมาธิเป็นฐาน จิตที่มีสมาธิเป็นฐานจะมีความหนักแน่นตั้งมั่นของจิตเองนั้นจะไม่หวั่นไหวเอ็นเทียนไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับสภาพแวดล้อมของเราที่เคยครอบงําจิจกรรมเรามาแต่ไหนแต่ไรอีกต่อไปแม้ชีวิตของเราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างอย่างที่เราเคยดําเนินมาเนี่ยแหละเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวอยู่ในวงงานอยู่ในวงสังคมอยู่กับสิ่งนู้นถึงนี้อยู่ในการ ป, รปฏิบัติธรรม แต่ไม่มีสภาพใดที่พวกเราไปสัมผัสเกี่ยวข้องจะสามารถเข้ามาครอมงำจิตใจดวงนี้ให้หวันไวเ อ, เอเ็เอี่ยมไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้อีกต่อไปเพราะมีสมาธิเป็นเกาะคุ้มครองปกปักรักษาจิตดวงนี้พระบิทเจ้าพระองค์ยังทรงเปรียบเทียบสมาธินี้เหมือนภูเขาสุลาแห่งทึบที่ไม่วันไวจากลมจากสีที่แปดทาง โผมพัดกระนำมากระทบภูเขาศีลาแทงทึพนี้แตกกระจายกระจายไปหมดไม่สามารถมาทําภูเขาสีลาแท่งึบนี้ให้เอ็ดเอียงไปได้ยีที่มีพุ่นถานของสมาธิอยู่ก็จริงกันไม่มีโลกกระทำใดไม่ว่าจะเป็นเสื่อมได้ลาบเสื่มลาบได้ยศเสื่อมยศได้สริเสริญได้สุขได้สริเสริญได้นินถาได้สุขได้ทุกหรือจะได้หรือได้สิ่งใดเสียสิ่งใดก็ตาม ไม่มีสิ่งใดจะมาสามารถมาครอบงนอันจิตแจ้งเราให้เอเียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสติดต่อไปเจตมีแต่ความตั้งมั่นหนักไน่นมั่นคงเป็นปกติของจิตเมื่อเจตที่มีเป็นเป็นปกติของจิตอยู่ไม่มีความเอียงเอลเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะสุขเพราะทุกข์แล้วเจตก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับ ต, ตัวเราเองนี่แหละได้ด้ความแยบคายรอบครอบ ซึ่งเราเรียกว่าปัญญาเพราะนั้นปัญญาเลยอควมีความรอบค่อบมีความแยกคายมีความละเอียดในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นถินนั้นเมื่อเรามีปัญญาคู่เคียงกับการดาเนินชีวิตแม้ชีวิตของเรายัางดาเนินไม่ไดชีวิตทางโลกหรือดาเนินชีวิตในทางธรรมปัญญาตัวนี้แหละจะเป็นตัวเป็นเครื่องมือที่แบวทางเดินให้พวกเรา เดินไปได้อย่างสะดวกสบายถึงที่สุด ก, ก้าวเดินไปสึงจุดหมายไปทางคือความสําเร็จความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงเพราะฉนั้นนักมรรยชาวพุทธเราท่านทั้งหลายอย่าทากันเกียดค้านในเรื่องการโพวนาชีวิตของพวกเราจะได้มีหลักมีเกณฑ์อย่างสมบูรณ์ในในความเตัวขึ้นมาเป็นชาวพุทธก็เพราะมีการโพวนาจิตที่มีความสุขนั่นเอง แล้วเราจะไปหาความสุขที่อื่นที่ไหนได้ที่ไหนมีถ้าไม่หาลงไปที่จิตใจเราจะหาความสุขไม่เจอเลยเพราะความสุขมันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่ลูกเสียงกินรถทั้งนูนที่นู่นที่นี่พระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ให้พวกเราโอปะนโกน้อมเข้ามาที่นี่น้อมเข้ามาที่นี่ที่จิตใจดวงนี้เอาที่อย่างน้อยๆขังพวดเราจะมีเราจะมีภาระหน้าที่มากมายไกลกองขนาดไหนก็ตาม แต่ภาระหน้าที่ของเราเราก็ไม่ได้แบกหามันอยู่ตลอดเวลาอย่างน้นอยก็ดีเวลาว่างเวลาโปร่งวางจากภาระหน้าที่นั้นแล้วเราจะมีเวลาโปร่งวางตอนไหนช่วงไหนอะไรตอไ่ออะไรหรืออย่างน้นอยก็ก่อนหลับก่อนนอนเขาเป็นเวลาที่เราโปร่งวางภาระหน้าที่งานการทุกสิ่ ง, ท, งทุกประการออกไปจากชีวิตของวเราแล้วเราก็มาให้ความสําคัญแก่จิตใจมาอบรมจิตใจของเราเองสักครู่หนึงด้วยการภาวนา เมื่อเรามีการภาวนาอยู่เป็นมูมิทอย่างนี้แล้วกาหนดจิตลงไปอยู่กับบทธรรมนั้นโดยวางทุกสิ่งทุกประการออกไปจากจิต จ, จักใจของเราอย่าให้มีสิ่งใดเล็ดรอดเข้ามาเป็นปรนิพุทธความกังวลครอบงําจิตใจของเราให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกประการมันจะดีหรือมันจะชั่วมันจะแตกหรือมันจะเกิดมันจะดับหรือมันจะเกิดก็ตาม ปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขาเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปเข้าไปเกี่ยวข้องข้องแวะขัสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเมื่อเราตัดจิตตักใจได้อย่างนี้แล้วเราปลุวางทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเกิดหรือเขาจะดับเขาจะได้หรือจะเสียก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเราก็บุ่งเน้นให้ความสาคัญเก่จิตใจตรงนี้ครับตั้งแต่เบื้องต้นอาจจะไหว้ทะกราพพระ อารหังสมาพระพุโทโธกาพระพุทธสว า, ากาโตกาพะตามสุปะตามนโนกาพระสงฆ์แล้วกาบแล้วลึกถึงพระคุณของบิาดามารดาเพราะชีวิตของพวกเราเราตั้งแต่เราได้เรือนกายนี้มาเราก็ได้มาจากบิาดามารดาไม่ใช่เลยบิาดามารดาเมื่เป็นผู้ให้เรือนกายนี้ยังไม่พอท่านยังทนุถนอมบำรุงเลี้ยงดูป้องกันภัยอันตรายให้แก่เรือนกายนี้จนกระทั่งเติบใหญ่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เนบุคคลสําคัญในเรือนกายของเราก็คือบิดามารดาที่เป็นผู้ให้เรามาก่อนเราก็กราบเราลึกถึงพระคุณของท่านจากนั้นที่เรามีวิชาความรูม้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาจนกระทั่งนำพาชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงมาถึงทุกวันนี้ได้นะั้นก็เพราะมีผู้ที่ประสาทวิชาการต่างๆทั้งหลายให้ความรู้ความความฉลียวฉลาดแก่เรามามากมายไต่กองบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็คือครูบาอาจารย์ เป็นผู้มีผู้พูดต่อเราอย่างยิ่งเราจึงควรกราบแล้วลึกถึงพะคุณของท่านสักหน่อยหนึงเนี่ยเริ่มต้นก่อนหลับก่อนตอนนี้เป็นกิ จ, จวัตรกราบสักหาครั้งจะเป็นสิ่งมงคลในชีวิตของพวเราอย่างยิ่งถ้าเรารพูพื้นฐานลงไปอย่างนี้แล้วจากนั้นเราไปนั่งอย่างสบายๆจะนั่งกับพื้นนั่งกับเก้าอี้นั่งขับสมาธิเท้าขวาวางเท้าเท้าข้างซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกาเที่ยงตรงหลับตาลง ป่อยวางทุกสิ่งรูปการออกไปจากชีวิตจิตใจของเราให้หมดสิ้นแล้วเราก็เริ่มต้นจากการกําหนดเอาลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเข้าพูดลมให้ใจออกโทรลมให้ใจเข้าพูดลมให้ใเอาใจออกโทมีสติกํากับจิตให้อยู่กับสัมผัสของลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไปผ่านกระทบสัมผัสจุดไหนในร่างกายของเราที่เรามีความรู้สึกชัดเจนพี่สุดถึงลมเข้าลมออก เช่นเราหายใจเข้าหายใจออกลมนั้นมันจะผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกทําให้เรามีความรู้สึกตุ้งลมเข้าลมออกอยู่ที่ปลายจมูกจ้องลงไปที่ปลายจมูกนี่แหละมีจิตจ้องไปมีสติกํากับจิตไว้เพียบบนเราจะลอยได้ใส่ลูกเห็บความรู้สึกของเราทุกส่วนต้องอยู่ที่ลูกเห็บกับปลายได้ถ้ามันวกแวกออกนิดเดียวเราลอยได้ผิดลูกเห็บ น, นาที แต่ถ้าเราสามารถควบคุมความรู้สึกของเรามีสติกํากับอยู่กับจิตแนบแน่นอยู่กับรูเข็มก็ไปได้ไม่วกแวกหลุดออกไปจากลูเข็มไปได้แล้วเราก็สามารถลอยได้ทะลุลูเข็มไปจุดสัมผัสของลมเข้าลมออกนั้นเปรียบประดุดเหมือนลูเข็มจิคือความรู้สึกนี้เปียกประดุดเหมือนไปายได้ มีสติในความรละบัญัตระวังกํากับจิตายได้ที่ใส่รูปเขียคือจุดสัมผัสของลมเข้าลมออกผู้โทผู้โทอยู่อย่างนั้นโดยไม่สนใจใส่ใจสิ่งอื่นที่จะเล็ดลอดเข้ามาในความรู้สึกของเราเลยโดยสิ่งใดเล็ดลอดเข้ามาในความรู้สึกคือจิตของเราก็ตามเราจะไม่ให้ความหมายโดยทางดีๆร้ายคนเลย บอกว่าเป็นธรรมชาติที่มีเกิดแล้วก็มีดับไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับเมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความอยากหรือไม่อยากในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราพยายามกำหนดแน่วแน่ลงไปในจุดเดียวอยู่อย่างนี้อย่าหาไม่ขึ้นย้ายถ้ามันเผลอหลุดออกไปเพราะความมิตหรือเพราะสติของเรายังไม่แนบแน่นพอเมื่อมีสติระลึกได้แล้วก็มาจ้องลงไปจุดเดิมใหม่ยี่ทีเก่านั่นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนยิ่ทีไม่ต้องไปเปลี่ย น, นแบบอย่าง ให้กำหนดลงไปในจุดจุดเดียวทำให้มันจริงจังทำให้มันหนักแน่นทำให้มั่นคงอย่าเลาะเลาะเละๆโลโรเลเลยเป็นคนที่ใส่จับจดทำอะไรก็มีความสำเร็จเพอเราทำนิ้วฟามจดจอตั้งมั่นแน่วแน่ลงไปที่จุดสัมผัสของลมเข้าลมออกก็ฟามรู้สึกคือตัวจิตมีฟามแล้วมันระวังคือตัวสติกำกับจิตไว้ ให้แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตมันจะอยู่กับสัมผัสของลมเข้าพูดลมออกโทดลมเข้าพูดลมออกโทได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนเมื่อจิตอยู่กับจุดสัมผัสของลมเข้าลมออกพูดโตได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนจิตก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเขไปไม่เนิ่นช้าจิตต้องสัมผัสถึงความสงบรวมตัวยันได้อย่างแน่นอนนี่แหละเพราะฉะนั้นตัวสุข เกิดขึ้นมาจากจิตนี้แหละเป็นตัวสร้างขึ้นมาทุกข์กับตัวจิตอีกเช่นกัน่ไปสร้างขึ้นมามันไม่มีใครหยิบยื่นให้แกเราได้หรอกจิตที่ไม่ได้รับการอบรมเป็นธรรมชาติของจิตบุทิชนมันก็ไปฟ้านเอาแต่ทุกข์เข้ามาครอบงำจิตอยู่ล่าไปเพราะฉนั้นเราชนิตของเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะการอบรมจิตอบรมใจ ดังพาสิตที่ยกขึ้นมาไว้ในเบื้องต้นว่าจิตตั้งดันตังสุขข้าวะหั่นจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตนชีวิตของพวกเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะจิตได้รับการอบรมเ ป, ป็นตัดเป็นธรรมนั่นเองถ้าไม่ได้กับ ร, รับการอบรมเ ป, ป็นอัดเป็นธรรมแล้วแม้เราจะตั้งความปรารถนาอยากได้ความสุขขนาดไหนก็าตามเราก็จะไปฟานเอาทั่วโลกบาปินของเราคนเดียวก็หาความสุขไม่ได้ เพราะสิ่งทั้งหลายที่เราไปพานไปฟานเอาเขามามันก็มีอยู่แล้วบนโลกนี้มันไม่ได้ของใหม่มาจากไหนเลยแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็ไม่ได้จากไปไหนมันก็อยู่กับโลกนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายก็เพียงแค่มาเกี่ยวข้องลูกๆคำๆอยู่สักระยะหนึ่งอย่างเกิดก็ไม่เกินร้อยปีแล้วก็จากว่าถุกสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นไปเหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้แตกต่างกันเลย เศรษฐีก็มาเพียงแค่ลูกลูกคำคแล้วก็จากไปคนทุกอย่ากอดจนก็แค่มาลูกลูกคำคแล้วก็จากไปเพียงแค่ว่าใครมีความฉลาดเขาก็เอาติเอาประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้ใครมีความโง่เขาก็เอาไปเอาโทษเอาภัยจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปก็แตกต่างกันเพียงเท่านี้แต่สิ่งที่สําคัญจะแตกต่างจะมีคุณค่าที่สุดก็เพาะจิตดวงนี้เป็นเจิตที่ทรงอัดทรงทำ ที่จะนําสุขมาสู่ตนเพราะฉะนั้นบ้านเรือนที่มีคุณค่าเพราะบ้านเรือนนั้นมีความสะอาดสะอา้านมีระเบียบเรียบร้อยจึงเป็นบ้านที่มีคุณค่าน่าอยู่น่าอาศัยชีวิตที่มีคุณค่าน่าอยู่ก็เพราะจิตใจที่มีความเบิกบานผ่องใสมีความสุขอย่างแท้จริงชีวิตนั้นจะมีคุณค่าเพราะฉนั้นบ้านจะสะอาดได้ก็เพราะเจ้ า, อจาของบ้านปัิบัตชิดถูกจใจจะมีความสุขเบิกบานผ่องใสได้ก็เพราะ เราเองเป็นผู้อบรมเราเองเป็นผู้ประพฤตปฏิบัติแล้วเราก็จะสัมผัสถึงความสุขอย่างแท้จริงนี่แหละชีวิตจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงของพวกเราสงฆ์กับฟาร์มเป็นเป็นศาส์านิยมของพระพุทธเจา้าเราเป็นชาวผู้พระพุทธเจา้าชี้ทางแห่งความสุขให้แก่พวกเราอย่างสมบูรณ์ เมพวกเราเดินไปบนเส้นทางที่ศาสตราท่านชี้ไว้แล้วเชื่อเถอะว่าชีวิตของพวงงงเกเราท่านทั้งหลาย <c oughs> จะประสบกับความสุขอย่างแท้จริงจะเป็นชีวิตที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริงอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงน้อมนํามาประพปฏิบัติ ชีวิตเราท่านทั้งหลายก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรในเวลาจึงขอยุติเอวังก็มีการตั้งใจละพรและธรรมะที่แสดงไปนั้นก็เพวกเราพากันน้อมนําไปปรพปฏิบัติเพื่อความสุขในชีวิตของพวกเรานั่นเองเพราะชีวิตถ้าจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงชีวิตนั้นต้องมีความสุขชีวิตของเราจะมีความสุขที่แท้จริงเพราะจิตของเรามีธรรม ถ้าจิตไม่มีธรรมแล้วเราจะไปหาความสุขที่ไหนได้เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักด์ไม่ยินไม่ได้อยู่ที่บริษัทบริวารแต่มันอยู่ที่จิตของพวกเราเองเพราะฉะนั้นหลักสําคัญที่เราจะได้ความสุขอย่างแท้จริงนั้นจิตนั้นต้องมีธรรมนางที่พาติยกขึ้นมาว่าจิตตังดันตังสุ ข, ข่าวหัง่งจิตที่อบรมดีแล้วนําสุขมาสู่ตน พอความสุขก็ไม่มีใครสามารถหยิบยื่ยนให้กแกเราได้ความทุกข์ก็เช่นกัน <c oughs> มันล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากจิตตัวนี้แหละแือนจะไปฟันเอาเข้ามาสร้าง เ, าเข้ามาถ้าจิตได้รับการอบรมอยู่แล้วย่อมสร้างสุขมาให้แก ต, ตัวของเร า, อาเอง <c oughs> อย่างแท้จริง <c oughs> ก็ขอฝากธรรมะทั้งหลายให้พวกท่านทั้งหลายเพื่อให้ชีวิตของพวกเราทรงเป็นชีวิตที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริงและพวกเราจะเห็นคุณค่าของชีวิต เพราะเออเราเกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนาเราได้นำเอาพุทธศาสนานั้นมาเป็นเครื่องนาพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าน้อมนำมาซึ่งความสุขแก่ ตวของเราเองทุกท่านทุกคนจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกตามเสด็จแห่งบรมพราปสศา ส, า ส, า ส, าสาดาของพวกเราสมนางที่พวกเรางุ่งมากงุ่งมากปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้วยปากาละชนี้ <c oughs>